เห็นความสำคัญของการฝึก ฝ, กฝกพนพัฒนาตนในทางโลกเช่นไปศึกษาหาความรู้มากขึ้นไปฝึกทักษะเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำมาหากินไปเรียนวิชาต่างๆเพื่อให้มีความรู้มากขึ้น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 ว่าไปแล้วนี่การเข้าบรรษาก็เหมือนกับการเปิดเทมอมมันนะเปิดเทมอมเดือนนี้นี่ทางนักเรียนนักศึกษาเขาก็เปิดเทอมอันนั้นเาเรียนทั้งโลกนะแต่ว่าพวกเรามาเปิดเทอมเพื่อมาอฝึกฝนตนในเรื่องทางธรรมมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องการศึกษาออย่างหนึ่งเหมือนกันนะ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 จะว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อพัฒนาไตรหรือศาสนาก็ได้ก็เลยงดเล่าหรือจะมองว่าเป็นการพัฒนาตนก็ได้เพราะว่าคนเราจะพัฒนาตนได้มันก็ต้องเริ่มต้นโดยการลดละหรือเลิกสิ่งที่ไม่ดีนะอย่างเช่นนะมงคลสาสบที่เรา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 หรือว่าในโอวาทปาติโมกเนี่ย ok ก็เริ่มต้นด้วยการว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหลังจากนั้นก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมนะการลดการละ ก, การเลิกนี่ ม, มันเป็นเบื้องต้นของการทำความดีแต่ถ้าทำความดีโดยยังไม่ลดละเลยนี่มันก็ดีไม่ดีไม่แท้น ะ, ะเช่นให้ทานอะ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 คาราวดญาติโยมเนี่ยนะควรให้ความใส่ใจนะกับการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเริ่มต้นโดยการลดละขัดเกาลา้วก็ตามโดยการทำความดีสิ่งที่พึงทำแต่ว่าทำน้อยก็ทำให้มากขึ้นในช่วงบาบรษาสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้น้อยลงหรือว่าเลิกไปเลยหรือว่าเลิกชั่วคราวก็ยังดี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 ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนติดกาแฟนะติดกาแฟ ى, ติดกาแฟมากจกนกระทั่งนะร่างกายเริ่มไม่แย่ละหรือไปไหนนี่ก็กระสับกระส่ายถ้าไม่มีกาแฟ ى. ลองฝึกดูนะว่าเราจะลดละกาแฟหรือว่าเลิกไปเลยตลอดพรรษาเพอๆสามารถจะเลิกไปได้ตลอดชีวิตก็ได้หรือว่าถึงไม่เลิกก็ไม่ติดนะบุหรี่ก็เหมือนกันนะ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 เมื่อเราทิฏฐาแล้วก็จะได้เกิดความมุ่งมั่นความแน่วแน่นะไม่ลังเล ส, สงสัยไม่งอนงันคลอนแคลงง่ายงไอสิ่งที่เราจะทำในข้าวสารนี้ไม่ต้องไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากนะเล็กๆก็เล็กเล็กแต่คอยทำทุกวันดีกว่าทำสิ่งที่ยากยากแล้วทาไม่ได้ทุกวันสิ่งเล็กเล็ง่ายๆเนี่ยทำไปเป็นความดีแล้วเนี่ยประมาทนะ มงคลข้อหนึ่งในสาสิบประการคือว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงอัปภมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคะรถะรมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงเป็นมงคลอันสูงสุดนะธรรมะเล็กๆแต่ว่าไม่ประมาทธรรทุกวันเนี่ยมันมีอนิสงส์มากแม้แต่การนั่งสมาธิแค่วันละห้านาทีทําทุกวันนี่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะ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 แต่ก่อนเขาปวดท้องแล้วก็หายใจไม่ค่อยทันอะหายใจไม่ทัน่ะคงหายใจไม่เต็มท้องอนะแต่คงหนักกว่าหายใจไม่เต็มท้องอยูหายใจไม่ทันเป็นมาสิบปีแล้วกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายพอเคี้ยวค่ายช้าลงเนี่ยแค่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยหายเลยเป็นปิดทิ้งเลยส่วนหนึ่งคงว่าความเครียดด้วยนะเวลากินก็คิดแต่เรื่องงานเรื่องการหรือจะรีบกินเร็วไวๆพอเคี้ยวค่ายช้าลงเริ่มมีสติมากขึ้นใจก็เริ่มสงบ นะตอนหลังความสงบนี่ก็ทำให้เขาทำงานเวลาทำงานเนี่ก็ไม่ไม่วุว่นวายแต่ก่อนนี่ใช้อารมณ์กับลูกน้องนะไม่ไว้ใจลูกน้องเลยตอหลังพอใจเย็นมากขึ้นลูกน้องกอ็ร่วมมือให้ร่วมมือดีขึ้นแล้วเขาก็เริ่มไว้ใจลูกน้องเขานี่งานที่เขามีมากๆหมาย ก, ก, ก, ก็โอนไปให้ลูกน้องทำบ้างบอกว่ามีเวลาว่างมากขึ้นนะ เคี้ยวไข่ช้าลงใช้เวลากินข้าวนานขึ้นแต่ว่ามีเวลาเหลือมากขึ้นนะแปลกนะแต่มันมีเหตุผลแบบนี้แหละคือว่าไว้ใจลูกน้องไว้ใจเจ้านายเอ่ไว้ใจอลูกชายก็โอนงานให้ทำแล้วไม่ห่วงไว้คนเดียวมีเวลาเหลือแล้วทำงานก็นึกถึงพ่อนะพ่อเคยพ่ออยู่ต่างจังหวัดนะชวนถามลูว่เมื่อไหร่จะมาเยี่ยมสักทีลูกก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาแล้วก็เลย